เอ้องตอ่งใใ า, า, ใใตตา ด, ดี้มันจะเป็นเคสที่เก้าร้อยเก้าสิบแปดมันดูที่ใครจะเป็นเคสที่พัน ลาเลียงคิวที่พร้อมออกอีกตั้งเกือบสามสิบเคสเลยจนกัก อ, อ, อีลียอีล้อกระดอกก็ะเดียจนกัก อ, อ, อีลียล้อกระดอกก็ะเดียผม <c oughs> เป็นชายเมืองสิงห์ผีไม่ถูกนะลูกเพราะว่าสมัยสร้างวัดใหม่ๆเขียนใบนโมทนาพิด เป็นจากสิงโตไปอยู่บนต้นไม้ชายเมืองลิงแม่เกือบจะโดนเผาวัดนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นอ๋ออมิตภาภะผมเป็นชายเมืองสิงคโปร์เตรมาบวชเป็นพระธรรมทายานานาชาตินวพะธรรมกายปีนี้ แม้ผมจะลาศิกขาแล้วแต่ความประทับใจในมนโนปดิฐานของครูไม่ใหญ่ยังคงตราตึงอยู่ในใจผมอย่างไม่มีวันลืลื อ, อทุกคืนที่มาโรงเรียนผมเป็นครูไม่ใหญ่แม้สุขภาพไม่ดีไอ้บ่อยๆเท้าก็เจ็บต้องมีคนคอยนวดทั้งซ้ายและขวาแต่ก็ยังมาทำนาทีนครูไม่ใหญ่แทบทุกวัน ส, สิ่งนี้ทาให้ผมอยากทราบมากว่า คุณครูไม่ใหญ่ต้องทนลำบากอย่างนี้เพื่ออะไรอ๋อไม่ต้องทนหรอกมันมีความสุขเป็นครูเราจะต้องไปทนอะไรป่วยก็เรื่องป่วยปัญหามีก็แก้ไปงานมีก็ทำไปบุญก็สางไปธรรมะก็นั่งไปทำมันไปพร้อมๆกันถ้าจะไปคอยพร้อมเนี่ยมันไม่พร้อมรสชาตินี้แม้ตายแล้วยังไม่พร้อมที่จะทำ ต้องทำอย่างมีความสุขและสนุกกับการทำเพราะเป็นทางมาแห่งบุญมันจะมีปิติและภาพภูมิใจที่ภูเขาทองเอามาแลกไม่ได้เงินทองซื้อไม่ได้กับความปิตินี่หลยจ้ะเพราะฉะนั้นไอคอกไอแคกไอกระดักกระดักกระชังมันเอ้ถ้าจะเจ็บแต่ว่าก็ได้ทางซ้ายทางขวาทหารเอกคอยบีบนวด ก็ามาอย่างนี้แหละหนี่แต่เขาดูแลก็เห็นแค่ครึ่งตัวอืมดูดีอืมดดอ ม, มันมีความสุข ใ, ในการทำหน้าที่ตรงนี้เพราะมีความสุขว่าฉันจะเป็นแสงสว่างให้แก่เธอ เราประโยคน์นี่แหละฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับเธอและความรู้สึกที่เป็นเช่นนี้ี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกลําบากอะไรถามว่ามีปัญหาไหมมีทุกวันครับมีทุกเห็นนั่งเบิดเบ่ดอย่างนี้นี่เดจ้านี่เบิดเบ่ดๆนี้โอ้โหใครมาเป็นสมบัติวัดรฐมกายเนี่ยอัดเดือนหนึ่งให้เดือนหนึ่งอะให้เดือนหนึ่ง ให้เดือนหนึ่งนะจ๊ะเดือนหนึ่งแล้วจะรู้สึกพะสัมภานไปว่าสัมภาระแบกหมดอืมแค่เมื่อเช้าเนี่ยเขา อ, อ่านได้ครึ่งประกอบไปก่อนอืมกลับไปก่อ น, ออนขอนั่งหลับตาก่อนอืมอะไรเป็นเหตุให้ต้องลำพึงเช่นนี้ ตัวหน้าพระลูกชายตัวเลขมันมาห น, นึ่งช่ <c oughs> <c oughs> องช้ำทีเยไอ้ตรงนี้ก็มีตัวเลขไอต้ตรงนี้ก็มีตัวเลขนี่ก็มี ด, ด, ด <c oughs> เยอะไปหมดแล้วก็ถ้าอยู่ประเทศสรารคขันนี่เยไม่ต้องไปทำความชั่วอะไรหรอก ทำความดีอย่างเดียวเดี๋ยวมันมาเองมันมาหาเรื่องเองแหละเราไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแค่อยู่เฉยๆนี่แหละแค่ทำความดีอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องไปทำความชั่วอะไรเดี๋ยวมันมาเองเนี่ยเอามาให้เอามาบริจาคให้เนี่ยเยอะเพราะนับปัญหามีเราก็แก้ไปงานมีเราก็ทำไปบุญเราก็ส้างธรรมะกระดังโอ้ก็จะไปทำความเข้าใจว่าทำไมบอกบุญบ่อย อ๋อนี่ยังไม่ได้บอกบ่อยเดอ้อทไมบ่อยต้องทำทุกวินาทีเดอ้อนี่บอกแค่ทุกวันคแค่วันนึงเจอครั้งยี่บสี่ชั่วโมงบอกครั้งชวนแต่ชีวิตมันต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะ่ะแปลว่าชีวิตทุกคนมันก็ต้องสูญเสียไปอยู่แล้วครับแต่ว่าไอ้สูญเสียไปเนี่ยมันไม่มีสาระประโยชน์กันสางชีวิตแถมเป็นทางมาแห่งบาปก็มีเสียไปค่าใช้จ่ายนั้น ทำไมล้วไม่มาเสียทางบุญล่ะเพราะบุญมันบอกเกิดเป็นความสุขและความสําเร็จในชีวิตอีกประการหนึ่งเราใช้บุญเก่ากันไปทุกวันหมดบุญก็หมดลมหมดลมก็หมดสิทธิ์ในชีวิตและทรัพย์สินและทุกสิ่งที่เรามีลาบยศและเสือน้ำหน้าวาสนาพวกพร้อมบริวารก็หมดไปต้องสั่งสมกันไปเรื่อยๆแล้วบุญจะอยู่จะให้มันหล่นตุบลงมาเนี่ยไม่มีไม่มีเราลองเอาหลายๆอย่างมารวมกันนีนะ วันอาหารสำรวมนี่นะืงทองหยิบทองหยอดอาหารหาราวานข่าใสลงไปในบาตนะใส่ปลาล่าลงไปด้วยอะไรไปด้วยเยอะแยะคลุกคลุุกล อ, องดูเถอะพระครูใหญ่ไปลองมาแล้วตอนเป็นอรั ญ, ญประเทศไปอยู่ในป่าช้านะั่นแอืะบางองค์ละเมอเลยกรดทัดทัดไปเจออาหารสัมรวม หลดไหมเลยละเมอเลยบางองคเจออาหารสำรวมแบกลดกลับไปเลยเออบอกอ้าวหลวงตาไปไหนลนะ่ะสุดทนไปดีกว่า <c oughs> <c oughs> เอออาหารจะอย่างนั้นนะี่ยนะเป็นผู้บริหารด้วยเนะี่ยผู้ปกครองผู้บริหาร <c oughs> แล้วก็ต้องรับแขกนี่นะสุขภาพไม่ดีด้วยต้องสอนด้วยนะี่ยนะ อะไรหลายอย่างรวมแล้วปัญหาเรื่องต่างมาเยะลองดูสิจะแเราจะรู้สึกว่ามีความสุขขนาดไหนเออเ <laughs> นี่ยแล้วมันั่งเบดอย่างนี้นี่จ้แต่ว่ามันมีความสุขในการที่จะเป็นผู้ให้แสงสว่างอย่างนี้ขออมัยตอน้นคุณรู้มิอยาจังเพิ่มภูมิความมั่นใจผมเกินอร้อยเปเซ็นนี่ราวกับ เพราะเอาเขตสองจังหวัดเกร้าอ้อยรอยเอซึ่งเป็นเขตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไม่ธรรมดา mm hmm. เขตนี้จะต้องเป็นเขตสว่างครับผมเคยพูดผิดพลาดตา่อครูมิทยาติกายวาจา ใ, ใจใดๆใครความเมตตาเมาตตาครูวิทย์อดโทษและชี้ทางสว่างให้แก่กับผมและบุคคลทีเป็นที่รักด้วยนะครับ mm hmm. ได้จ้ะ <Okay. S 2> คุณยายของผมเป็นคนจีนแต้จิ๋วร้อยเอร์เซ์เลย ภายหลังจากคุณตาเสียที่พิธีประเทศจีนไปแล้วคุณยายกระโจงมือลุกษาเพียงคนเดียวของท่านคือคุณแม่ของผมอบพยพมาสิงคโปร์<ม>แบบไม่มีเสื้อและไม่มีหมอนมาเลยแปลว่าจนคักๆอิลีจนคักๆอิลี่ <c oughs> <c oughs> ล, ล็อกกรดอกกระอ <c oughs> เออเ <c oughs> มื่อคุณยายอยู่ได้ประมาณเจสิบหกปีอยู่ดีๆให้อ ย, อยู่ดีทำไมเป็นอย่างนี้ <c oughs> มีอาการนั่งเมาอ <c oughs> อย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่ไม่ดีแล้วล่ะ ไม่พูดไม่จ่าเอหลังบนเก้าอี้นอนท่างวันลูกหลานก็ดูแลป้อนข้าป้อนน้ำท่านอยู่หลายเดือนแต่เห็นอาการท่านไม่ดีขึ้นเลยจึงส่งท่านไปฝากคุณหมอที่โรงมยาบาลอ่านเร็วๆขนาดนี้ทันไหมเจ๊ะทนันช่วยดูแลแทนแต่พอกลับถึงบ้านคุณหมอก็โทรมาแจ้งว่ า, าคุณยายเสียชีวิตแล้วคุณพ่ออ น, นั้นเป็นกเกษตรกรนมไฟขลง ยังไม่จะระบายความร้อนอนี่ไฟแรงสูงโดยการด่าว่าคุณแม่และคุณยายแบบไม่จำกัดการเวลาเป็นอาการิโกเช้าสายบ่ายค่ฮีตเมื่อไรเป็นด่าเป็นด่าเหมือนนั้นมแม่คุณแม่ก็พยายามพยายามบด ท, ทนเราก็คอยทำหน้าที่เป็นเศรษฐีกำลังใจ คือรวยกาลังใจส่งให้คุณพ่อทุกวันเพราะเพราะอยากเห็นคุณพ่อท่านอารมณ์ดีปีพศ2519รัฐบาลสิงคโปร์เวนคืนที่นาของคุณพ่อก็อไม่ครอบครัวของเรายกระดับชีวิตจากเกษตรกรไปเป็นชาวแฟล ต, ตทันทีประกาศวิชาคื อ, นะอปรย์ที่สูงเลยจากท้องนาไปสู่ที่สูง ประกาพิจาริพิสาผมทำงานหาเงินได้ชีวิตสุขสบายขึ้นคุพ่อผมก็กลายเป็นหนุ่มอารมณ์ดีทั้งวัน oh. <laughs> ไม่ฮิตเหมือนแต่ก่อนแล้วนม <laughs> <laughs> า่อท่านสูบบุหรี่จับั้งแตนนมและแม้อายุมากขึ้นจะเลิกสูบบุหรี่แล้ว <laughs> แต่ <laughs> หันไปสูบไอ้ใหญ่กว่า <laughs> อาสานิสารที่ <laughs> ถูกต้องจะสูบกัญชาแทนแบบไม่ให้ใครรู้ แต่แล้แม่คุณพ่ออายุมากจะมีอาการหายใจไม่สะดวกคุณหมอจึงช่วยผ่าตัดเจาะช่องระบายอากาศให้ท่านที่ลำคอโอ้ยหยองเลยเนี่ยซึ่งสร้างความทรมานให้คุณพ่อมากกระทั่งคุณหมอบอกว่าคงไม่รอดแน่เราจึงตัดสินใจพาคุณพ่อขึ้นรถพยาบาลกลับไปตายที่บ้านแต่พอใกล้จะเลี้ยวรถเข้าบ้านผมก็เห็นคุณพ่อไม่มีอาการตอบสนองแล้วจึงแบกท่านไปนอนเสียชีวิตอย่างสงบ บนเตียงในบ้านเมื่ อ, อยุตได้ประมาณแปห้าปีอ๋อเลยอายุไขเฉลี่ยมนุษย์ไว้แล้วนะี่ยคุณแม่ผมไดตางวิญญายมาอยู่สิงคโปร์ตั้งแต่อายุได้เพียงสิบกว่าปีและเพื่อความมั่นคงในชีวิตของลูกผู้หญิงคุณยายจึงให้คุณแม่แต่งงานกับคุณพ่อ<ม>ซึ่งเป็นหนุ่มแจ๋วจิ๋วที่ย้ายมาสิงคโปร์เหมือนกัน<ม>คุณพ่อมื่อยุตแก่กว่าคุณแม่สิบกว่าปี<ม>หลังแต่งงานคุณแม่เริ่มตอนชีวิตการเป็นเกษตรกรสาว ตื่นหกโงเช้าแต่งตัวสวยๆยิ้มแล้วก็ออกจากบ้านไปแบกน้ำ <c oughs> เดินท้าเปล่าแบบมินิมาราธอนขึ้นเขา <c oughs> ขึ้นเขาลงนอนไปกลับหนึ่งกิโลเมตร <c oughs> วันละสิบยี่สิบรอบ <c oughs> ว่างว่าก็หาผักตามท้องนาที่อุดมไปด้วยวิตามิน <c oughs> มาสับต้มให้ <c oughs> หมูกินโรคพักปลอดสารพิษ <c oughs> เอาไว้ทานเอง คุณแม่มีลูกกับคุณพ่อด้กันสิบคนเท่านั้น oh. Oh. เป็นชาย4ี่คนหญิงหกสี่หกผมเป็นบุตรคนที่เก้าของครอบครัวภายหลังเมื่อลูกๆตับโตคุณล่กคุณแม่ก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นอ่านเร็วๆขนาด น, นี้ตามทันไหมจ๊ะ oh. แต่อ น, นิจจามื่อเริ่มมีความสุขสบายขึ้นคุณแม่ก็เริ่มเดินไม่สะดวกป่วยเป็นโรคหัวเข่าเสื่อม เพท่านเดินตั้งวันหนึ่งตั้งย0โลต้องพาตัดเสริมซิลิโคนแต่การก็ไม่ดีขึ้นซ้ำร้ายกลับแย่ลงกว่าเดิมและมีเรือไตาตามมากระนำอีกจำเป็นต้องฟอกไตสัปดาห์ละสามวันต่อเนื่องกันมาเป็นเวลากว่าสองปีแล้วพี่เคยผมกำพร้าพ่อแม่ต่างแต่อย่างเล็กอาศัยคุณลุงเป็นผู้เลี้ยงดูจนโตภายหลังจากที่ได้แต่างงานกับพี่สามผมแล้วเขาเคารพและดูแลคุณแม่ของผมอย่างดี ครับรถลับส่งคุณแม่ของผมไปวัดไปวาไปช้อปปิ้งและทุกคนทุงแห่งที่คุณแม่ต้องการต่อไปคุณแม่ของผมรักเขาเหมือนลูกชายตัวเองอยาที่เศรษฐกิจของผมมีปัญหาก็ได้เขานี่แหละเป็นที่พึ่งผมจึงรู้สึกทราบซึ่งในน้ําใจงเข้ามาโดยตลอดแต่นิจาชีวิตนั้นไม่เที่ยงวันหนึ่งเขากลับจากการออกกําลังกายพร้อมกับพี่สาวผมมาดูในขณะออกกําลังกายดูนะจ๊ะดูคนหมดบุญนะจ๊ะยังแข็งแรงอยู่นะ ขณะอยู่ในลิฟต์จู่ๆเขาก็นั่งลงแล้วไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยเสียชีวิตขณะอายุได้42ปี<อ>ไม่ต้องป่วยเห็นไหมจ๊ะนี่ไม่ต้องป่วยผมและภรรยามีลูกเดียกันสามคนตอนที่ลูกสาวโตวอายุได้ประมาณแปดขวบผมกับภรรยาเริ่มลงทุนทำธุรกิจเชื่อกันทำงานหาเงินทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่หกโงเชา้าถึงเกือบเที่ยงคืน จึงกลับถึงบ้านโอ้ในไปหาเงินอย่างเดียวห้าปีผ่านไปผมก็สามารถเปิดร้านค้าของตนเองได้ถึงเจดร้านแต่เพราะว่าผมและภรรยาโม ย, ยุ่งกับอยู่กับงานจนไม่มีเวลาดูแลลูกสาวคนโตโหลายครั้งที่กลับถึงบ้านเห็นลูกสาวอายุแปดขวบนอนขอดอยู่ใต้เตียงด้วยความกลัวการอยู่คนเดียวดูแล้วก็น่าสงสารมาก ตั้งแต่นันมาเธอกับเราแม้อยู่บ้านเดียวกันก็เหมือนก็อยู่กับคนละโลกแต่ไปเจอจลูกสาวอายุได้ยี่ิปีแล้วเมื่อเจอกันกันเลยคุยกันเพียงสองสามคำมเขาก็ออกจากบ้านไปแล้ว ม, มีลักษณะเหมือนทอ ม, อมนี่เพราต้องเข้มแข็งไปอยู่คนเดียวนี่อชอบซักตามตัวกระดูกมือและกระดูกเท้ามักจะประสบอุบัติเหตุแตกหักหลายครั้ง ตัวผมวาอายุ18ปีก็เริ่มศึกษาพุทธศาสนามหายานโดยเรียนภาคปริยัตทฤษฎีอยู่4ปีแล้วก็ฝึกสวดมนต์ประกอบเครื่องดนตรีแบบจีนช่วยสวดมนต์ริเชิงขกสอนให้ผู้ตายด้วยกระทั่งผมาอายุได้38ปีเกิดความรู้สึกว่าแม้ความรู้ในธรรมพุทธศาสนามหายานอันนี้อ่านตามที่เขียนมาเยท่าที่ผมศึกษาอยู่จะสอนในศรัทธานในอมิตตภะพุทธะะตั้งจิตอธิษฐานไปเกิด ที่ดินแดนสุขาวดีแต่ผมขอสรภาพด้วยความสุดจริตใจว่าครูไม่อยา์ครับผมอยากกลับไปสวรรค์ชั้นดุสิตกลับ <c oughs> อเมนที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ <c oughs> เพื่อที่จะสามารถเร่งกลับมาสร้างบรมทิฏิโลกมนุษย์ได้โดยเร็ว <c oughs> แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปได้อย่างไร <c oughs> ความคิดที่แตกต่างกับความรู้เดิมนี่เอง <c oughs> ทำให้ผมห่างวัดพุทธ <c oughs> มาหา ย, ยาณไปสองปี ตัวนี้ประยางผมก็ป่วยเป็นมะเร็งที่เต้านมและกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทแต่ช่วงเวลาเดียวกันธุร ก, กิจของผมก็จเจริญลงโอ้มาประดังประเดยพร้อมกันเลยจากเดิมมีร้านค้าเจล้านก็ลดลงเหลือแค่สองล้านในขณะที่ผมเดินหาซื้อหนังสือในร้านบังเอิญพบหนังสือประวัติหลวงปู่วัดปากน้าภาษาจีนกลางอ่านแล้วสนใจมากจึงซื้อกลับบ้าน ไปแนะนำให้ภรรยานี่ดารลิงิงลองฝึกสมาธิตามวิธีในหนังสือเธอจึงอธิษฐานให้หลวงปู่ช่วยแล้วนั่งสมาธิตามวิธีในหนังสือสองเดือนถัดมาเมื่อกลับไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วกเธอหายจากโรคมะเร็งเป็นปลิดทิ้งเหมือนประเดี๋คุณหลวงปู่ที่ท่านไล่ฟังเมื่อกี้นี่เปจ้ถ้าเป็นโรคหัวใจเลยยังไง ม, มันติมันตนันเลย ไม่ได้ทําอะไรเลยหายนึกถึงหลวงปู่อย่างเดียวออสร้างความอัศจรรย์ใจแก่ทุกคนเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นเริ่กระดูกระลังทับเส้นประสาทของเธอก็หา ย, หายเป็นปกติอย่างน่าประหลาดใจมากาตั้งแต่ผมได้รับหนังสือประวัติหลวงปู่ทาให้ผมได้รู้จักความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งของพุทธเทรวาสจึงได้มานั่งสมาธิติสุนทรี ย, ยา น, นมิสิงคโปร์ได้มารู้จักวัดพระธรรมกายผมก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์แรงสติปัญญา จะเหลืองงานบุญตลอดมาแม้เศรษฐกิจของผมกําลังชะลอตัวตัวแจขงผมและภรรยากําลังขยายตัวเกินร้อยเรากู้เงินธนาคารมาทําบุญนําเงินชําระค่าสินค้ามาทําบุญนําเงินประกันชีวิตของเรามาทําบุญแม้รู้ว่าเป็นวิธีการที่ไม่ถูกหลักวิชาแต่เราก็อยากทําบุญมากและคิดว่าบุญแต่และบุญที่ผ่านมาหากไม่รีบตักตวงก็จะผ่านไปแบบไม่ย้อนกลับไม่อีกร้อมกับภรรยาจึงเห็นพร้องตั้งกันว่า เราต้องทำบุญมาหยุดแล้วต้องทำแบบไม่เว้นวักครับ<า>แม้สถานการณ์ปัจจุ บ, บันผมจ ะ, จะเหลือร้านค้าเพียงร้านเล็กๆร้านเดียวจาก27เจ็ดหลือสองสองเหลือหนึ่งและต้องไปกู้เงินธานาคารมาทำบุญคือเป็นหนี้แบงค์แต่ในใจผมและภรรยาก็เชื่อมั่นว่าบุญจะส่งผลให้ชีวิตของเราดีขึ้น สุดท้ายก็ความไม่ตาม่างครูวิทญาช่วยแนะนําวิธีกรอกไปสมัครย้ายที่ฐานกลับดุสิตบรีวงมาพิเศษให้ผมแล้วก็ครูด้วยครับขอให้พวกเราได้มีโอกาสสร้างบรมีตามติดครูวิทยาแบบ every lifetime hmm. ถูกพบทุกจ่าตราบกระตั้ ง, ง, ง, งถึงที่สุดแห่งธรรมได้นะครับสาธุคำ <c oughs> ถาม <c oughs> คุณยายเสียชีวิตแล้วไปอยู่ที่ไหน <c oughs> ได้รับบุญสร้างองค์พระประจําตัวที่ที่ไปให้หรือไม่มีอะไรอยากบอกผมหรือไม่ คุณพ่อมีวิบากกรรมใดจึงโดนผ่าตัดเจาะลำคอช่วยหายใจทรมานและพูดไม่ได้สภาพใจท่านตอนนั้นเป็นเช่นไรคุณพ่อเสียชีวิตบนรถปจจบาลหรือเสียชีวิตที่บ้านปั จ, จุบาลอยู่ที่พบภูมิใดมีสภาพเป็นอย่างไรได้รับบุญสร้างพระที่อุทิศไปให้ไหมคุณแม่ผมมีบุพกรรมแย่ดีอย่างไรจึงเป็นโรคหัวเข่าเสื่อมและโรคไตในเวลาที่ฐานะมีความสุขสบาย อ๋อคือไปลอเล่าหัวขาเสริมแล้วโลภใจในเวลาที่ท่านมีฐานะาความสุขสบาย <c oughs> ผมสร้างพระประจำตัวและบวชให้ท่านคุณแม่จะได้รับผลบุญอย่างไรทําไมาพี่เขยจึงอายุสั้นอาสาสมัครวัดพุทธมหายานที่มาสวดมนต์ในงานศพพี่เขยเห็นดอกบัวสีใสยอยู่บนลงศพเขาไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงไหมพี่เขยเสียชีวิตล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญสร้างพระที่อุทิ่ไปให้หรือไม่อยากบอกอะไรผมหรือไม่ วิบากกรรมอะไรทําให้ลูกสาวคนโตมีลักษณะเหมือนทอมชอบสักตามตัวกระดูกมือและกระดูกเท้าแตกหักผมรับพรรยาเคยมีวิบากกรรมแน่ดีกกับลูกสาวคนโตมาอย่างไรทําอย่างไรยังสามารถดึงเธอมาสร้างบารมีได้ผมรับพยาพยายามทําบุญให้เธอตลอดเธอจะได้รับบุญอย่างไรเธอมีบุญพอที่จะทําธุรกิจของตัวเองไหมแม่ยายผมเสียชีวิตเมื่อ13ปีที่แล้วขณะอายุท่านได้ห้กปี ถ่าไมไปอยู่ที่ไหนมีสภาพอย่างไรพ่อตาลูกชายของท่านและผมได้บูชอุทิศไปให้แม่ยายท่านได้รับบุญหรือไม่ชาติแน่แม่ยายจะได้มาสร้างบา ร, รมีกับหมู่คณะใหม่ครับระยะของผมมีวิบากกรรมอะไรจึงทําให้มีกระดูกสันหลังมีกระดูกงอกออกมาทับเ ส, นาาส้นประสาทเป็นมะเร็งเต้านมบุญอะไรที่ทําให้เธอได้รับการช่วยเหลือจากระเด็กผู้หลงปูบรัดปากน้ําจนหาจากเคราดังกล่าวโดยไม่ต้องกินยาใดๆ ทำไมปริญาของผมปฏิถิานจิตกลอยหลวงปู่และคุณยายช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันล้นได้รับการช่วยเหลือจนประสบความสําเร็จในทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องเงินทอง <c oughs> ขอหลวงปู่คุณยายอย่างไรก็ไม่เคยสําเร็จแล้วทำไมเวลามีขาบุญใหญ่ามาถึงสถียรของร้านขอเรามักจะชุดตัวลงทันทีทุกครั้งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <c oughs> ตัวผมและปริย า, ยามีบุญประกา ร, รในอดีตเรงมาอย่างไร จะมีอุปนิสัยและความคิดที่คล้ายคลึงกันและปัจจุบันมักมีปัญหาเรื่องเงินทองด้วยกันคือเป็นหนี้ด้วยกันถูกฟ้องร้องด้วยกันถูกโกงเงินเหมือนกันถูกยืมเงินแล้วไม่ได้คืนเหมือนกั น, ก น, กน <No. S 1> ทำอย่างไรผมยึงจะหมดหนี้และร่ํารวยในชาติปัจจุบัน <No. S 1> ทํามีเงินใชเยอะกรวยเองนะจ๊ะเฮ้ย <Good out. laughs> hey, แต่ผมยังมีความรู้สึกอยากไปสวรรค์ชั้นสุดสิทธิ์ในขณะที่พุทธมหญญายานสอนให้ไปแดนสุขาวดี mm. ตัวผมมาเยาและบทชาทั้งสองคนใครสร้างบารมีกัมูขนณะมาอย่างไร ลูกชายทั้งสองเคยจะร่วมสร้างบุญกับตัวผมและภรรยามาอย่างไรเขามีบุญบวชตลอดชีวิตใหม่ให้ได้ผมและภรรยามักเกิดความเข้าใจผิดกับเพื่อนนักสร้างบารมีท่านอื่นบ่อยๆผมและภรรยาควรปรับปรุงอุปนิสัยด้านใดบ้างครับ mm hmm. จำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะ จำได้ครับรับตาฝันเป็นตัวมิตะตื่นขึ้นมาหายหนึ่งทีแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารามรากันจ้าคุณยายตายแล้วไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้าและไม่มีข้อความใดฝากมาจ้าป็นพ่อโดนผ่าตัดเจาะลำคอช่วยหายใจทรรมนมากพูดไม่ได้เพราะกรรมแนอดีตและปัจจุบันได้เคยเชื่อสัต เชือดคอสัตว์และแทงสัตว์ที่คอเพื่อเป็นอาหารรวมถึงกรรมสูบรีและวัยีกรรมเทียงบิดามารดาและผู้ลกผู้ใหญ่มารวมส่งผลเจ้า oh. ตาตั้งแต่อยู่บนรถพยาบาลแล้วก oh. ายละเอียดกลับมาพร้อมรถพยาบาล <c oughs> แต่แล้วดูสภาพใจไม่มองไม่ใส่ได้วนเวียนอยู่ที่บ้านจนครบเจวัน ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกของมาหาดารลคุมหได้กล้ำด้ยกร้ำสูบบุหรี่ก่อนกร้ำอื่น oh. กำลังถูกมกจนที่หลุมกิ่เทาร้อนมีความทุกข์ทรมานมากไม่น่าเชื่อเลยนะ <Yeah. S 2> ก็เงินเราไปซื้อบุหรี่นิ้วเราขี้ บ, บุหรี่ <Yeah. S 2> ปากของเราสุก แล้วเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครแต่ทําไมทําไมจึงเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ผิดกฎหมายแต่ว่ามันผิดกฎแห่งกรรมมาดีเขาเซตโปรแกรแมเอาไว้อย่างนั้นบังคับให้ทําอย่างนี้พอแพ้เขาทําตามที่เขาบังคับมันก็จะมีวิบากกรรมมาเป็นอย่างเนี้ยกำลังถูกมกอยู่ในหลุมคิดเท่าเรามีความทุกข์ทรมานมาก เพราะเหตุนี้แหละถึงจะทำอะไรให้ศึกษาก่อนให้มันครบวงจรจะศึกษาขึ้นกลางนี่นะจ๊ะได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ได้รับรถยนพรโทษลงมาแต่ยังไม่หมดกรรมให้ธ บ, บุญทติไปให้ท่านอีเพราะท่านอยากพ้นทุกข์อยากยอมโลกจ้าคุณแม่เป็นโรคหัวเข่าเสื่อมและโรคไตเพราะกำเนิดดีที่ใช้แรงงานสัตว์และแรงงานทาทาามากเกินไป อีกถ้ามีความตรณีจึงทำให้ช่วงแรกของชีวิตต้องมาทำงานหนักจึงทำให้ข้อเข่าเสื่อมในบ้านปลายบรวม ก, กรรมปล่อยเงินกู้ดอกโหดที่ทำให้เป็นโรคไตจ้ะคุณแม่จะได้รับบุญสร้างพระและบุญบววของตัวลูกก็จะช่วยปิดาบายท่านและนำท่านใไปอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปจ้ะพี่เคยอยุสั้นพระกำนดีจะเป็นพ่อค้าคนกลางขายสัต เช่นวัวควายหมูไก่เพื่อคนนำไปฆ่ากินแต่ก็มีบุญในสงเคราะห์ญาติและสงเคราะห์โลกจึงทำให้ชาตินี้ตายอย่างไม่ท ร, รมานแต่ก็เป็นหัวใจวายตายจ้ะ mm hmm. อาสาสมัครวัดพุดทธทิมาสวดมนต์ในงานศพที่เคย mm hmm. เห็นดอกโวสีใ ส, สบรลลศพนั้น mm hmm. เขาก็เห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นนั้นไม่จริง <Yeah. S 1> เป็นแค่ก it, ุศลนิมิตด้วยจิตที่เริ่อมใสาตามความเชื่อของตน และเราว่าพิกเขยเป็นคนดีจึงทําให้เห็นเป็นตุเป็นตะไปจ้าแต่แล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานลอยอยู่บนอากาศห่างจากพื้นดินหนึ่งยอดด้วยบุญสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์โลกและทบุญตามความเชื่อของตนแต่ละบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทําให้มีความสุขเพิ่มขึ้นแต่ฝากขอบคุณที่อุทิศบุญไปให้ทําให้มีความสุขเพิ่มขึ้นขณะ น, นี้กําลังเพลิดเพลินอยู่ในภพภูมิของเขาจ้า ลูกสาวของโตมีลักษณะเหมือนทอมชอบสักตามตัวกระดูกมือและกระดูกเท้าแตกหักเพราะกรรมการเมเจ้าชู้ทั้งชาติเกิดเป็นผู้หญิงและผู้ชายตอนเป็นผู้ชายก็เจ้าชู้กามเจ้าชู้จากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงพอเป็นผู้หญิงก็เจ้าชู้ทั้งชาติจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เจ้าชู้มารวมส่งผลให้เป็นทอมอให้เป็นครึ่งๆกลางๆกงันหนึ่มาก็ไม่ใช่ลาก็ไม่ใช่แต่เป็นพวกร่อ ลุกครึ่งลุกครึ่งที่ชอบสักตามตัวเพราะกรรมในชาติี่เป็นเด็กผู้ชายวัยรุ่นมีความคะนองชอบเขียนภาพ <c oughs> ตัวอักษรต่างๆบนฝากำแพงันหนังในที่สาธารณะต่างๆมาส่งผลจ้ะกับชอบชกต่อยทะเลาะวิวาดกับผู้อื่นจนทำให้ขบาดเจ็บเป็นประจำมาส่งผลในกระดูกมือและกระดูกเท้าแตกหักจ้ะ ตัวโรคและภรยาและลูกสาควคนโตนี้ก็ไม่ได้มีวิบากกันมาแต่เคยสร้างบุญร่วมกันมาในดีจึงมาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันแต่มาในปัจจุบันพ่อแม่กมม์แต่ทำมาหากินไม่ค่อยให้เวลาต่อเขาจึงทำให้เขาคิดลึกๆในใจว่าพ่อแม่ไม่รักเขาแต่นั้นก็ให้ปรับทำความเข้าใจกันเพราะลูกสาควคนโตก็มีพื้นฐานใจดีอยู่แล้วแค่บอกให้เขาเข้าใจว่าตอนที่เขาเด็กๆนั้น พ่อแม่จําเป็นต้องทํามาหากินเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวจึงทําให้ห่างเหินลูกไปแต่ไม่ได้แปลว่าไม่รักลูกขอให้ลูกได้เข้าใจพ่อแม่ด้วยว่าเพราะรักลูกจึงต้องทุ่มเทเวลาทำมาหากินเพื่อลูกนั่นแหละจ้าให้ไปปรับความเข้าใจกัน บ, บ่อยๆตอนที่ทุกคนสบายใจเดี๋ยวเขาก็เข้าใจเองตัวลูกสาก็พอมีบุญที่จะเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆเป็นส่วนตัวได้จ้า เขาก็มีส่วนในบุญที่พ่อแม่ทำให้บ้างแต่ไม่เต็มที่จ้เป็นเหมือนทำเองไม่ยายตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญใดๆ ไ, ได้แล้วก็ไม่มีข้อความใดฝากมาจ้ะชาติไปกันแล้วแต่จังหวะล็อกบุญกับแม่ยายที่จะมาสร้างบารมีกับหมูนะ่คณะเพราะมีสายบุญอยู่บ้างกับหมูนะ่คณะจ้าพระยากระดูกสันหลังมีกระดูกงอกทับเส้นประสาทเป็นมะเร็งเต้านมพระ กรรมนาดีได้ใช้แรงงานคนและสัตว์ขนของหนักมากเกินไปจนเขาทรามานํามาส่งผลให้มีกระดูกงอกทับสิ่งประสาทและเศษกรรมเจ้าชู้ก็มาส่งผลได้เป็นมะเร็งเต้านมแจ้หายได้เพราะนาดีมีบุญเคยถวายขีฬลานาเพสัตว์กับหลวงปู่และคณะสงฆ์เพราะโดนก บ, บุญนั่งสมาธิในปัจจุบันแลนุภาพกับผู้เดบุคหลวงปู่มา<อ>ช่วยทําให้หายได้โดยไม่ต้องกินยาแจ้สาธุวันนี้ครูวม่ใหญ่ก็ทําบุญถวายขีฬลานาะเพสสัตว์ คณะสงฆ์เลจ้ากรแบ่งบุญเนี้กับนักเรียนทุบานฝันที่ันพี่ยาทุกโลกทุกคนจ้าสาธุหายเจ็บหายป่วยให้แข็งแรงไปด้วยกันเด้อสาธุพระยาทิฏฐานจิตเขาบารมีประเด็มคุณหลวงปู่และคุณยายสำเร็จทุกเรื่องยกเวน้นเรื่องเงินทองพระได้ดีตัวลูกและภรรยาได้เป็นเศรษฐีได้เคยสร้างบารมีกับูนะ่คณะแต่ไม่อยู่ช่วงแรกๆนะตั้งใจจะสร้างบุญต่างๆกับหมูนะ่คณะ แต่ว่าเกิดการกระทบกระทั่งกับบางคนในหมู่คณะจึงทำให้ไม่พอใจและก็ยกเลิกการทำบุญและถอยห่างจากหมู่คณะไปช่วงยาวระยะหนึ่ง oh. แต่ภายหลังก็กลับมาสร้างใหม่กับหมู่คณะอีกครั้งอย่างเต็มที่ hmm. ดังนั้นในชาตินวิบากรรมที่เว้นว่า ก, การสร้างบุญกับหมู่คณะทำให้วิบากรรมอื่นๆมาแทรกเช่นเคยไปโกงเงินเข้ามา ยังทําให้ถูกโกงบ้างดังนั้นให้อดทนต่อไปและหาช่องทางทําธุรกิจใหม่เดี๋ยวจะร่ํารวยกว่าเดิมจ้าเพราะว่าตอนหลังก็กลับมาทําบุญกับหมู่คณะอีกส่วนที่เวลาจะทําบุญใหญ่กิจการมักสุดกับเพราะวิบากกำลังกล่า ม, มารวมกับวิบากมารที่มาขัดขวางการสร้างบารมีจ้าตัวลูกภรรยามีอุปนิสัยคล้ายคลึงกันนั้นพระเคยเป็นคู่บุญกันเป็นสามีภรรยากัน ไปสร้างบุญละการรมร่วมกันมาตลอดทั้งในอดีตและปัจจุบันจ้าให้สังสมบุญไปทุกบุญทั้งทางสีเพลานาและนึกถึงบุญทุกบุญดังกล่าวและวอธิษฐานจิตให้ได้พบช่องทางทําธรุรกิจที่จะขับที่ที่จะทําให้ร่ํารวยอธิษฐานจิตทุกวันเดี๋ยวก็จะประสบความสําเร็จจ้าแต่ลูกอย่าไปสวรรค์ชั้นดุสิตพระบุญที่เคยทํามากับหมูขคณะกับก่อนที่จะมาเกิดก็มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตจ้าอับตายลืมไปเผอไป ออามาจากชั้นดุสิตจ้ า, าทาเป็นเลิมไปได้ลูกเอ้ยนี่มาจ้ะตัวลูกภรรยายและบุตรชาทั้งสองเคยสร้างบุญมีกมูขณะมาแต่เป็นกองสเสบียงประเภทบางทีก็เต็มที่บางทีก็เต็มทีบางทีก็เต็มกําลังบางทีก็ตามกําลังลูกชาทั้งสองคนมีบุญบวชระยะสั้นมาจ้ะเขาจะบวชตลอดชีวิตต้องใช้กําลังใจสูงจ้ะ ลูกชายทั้งสองเคยเกิดเป็นลูกของตัวลูกและภรรยาได้ช่วยงานสร้างบุญเหมือนดังชาตินี้จ้ะผังเก่าของลูกและภรรยาได้ติดตัวมาที่เคยกระทบกระทั่งกับนักสร้างบรมีท่านอื่นๆเช่นคิดมากมบ้างคิดน้อยบ้าง <laughs> คือคิดน้อยใจบ้างที่ก็ระแวงทำให้ถ้อยคาที่พูดออกมากระทบกระทั่งการเป็นต้นแ oh. ตนน่ดังชาตินี้ก็ให้แก้ไขด้วยการไม่ถือสา ให้อภัยเวลาพูดก็ให้รักษาน้ำใจซึ่งกันและ ก, กันกับหมู่คณะนํามันนั่งธรรมะให้ใจใสๆและแผ่เมตตาจิตให้กับทุกคนรวมทั้งต้อ ง, งยิ้มแยม้มเยือกเย็นยกย่องยืดหยุน่นยินยอมกันบ้างเดี๋ยวก็ดีเองจ้ะไม่ว่าเขาจะไล่อ ย, ย่างไงก็แล้วแต่เนี่ยสมมติว่าคิดมากคิดน่าระแวงหรือกระทบกระทั่งกันเกิดบางคนเขาบอกว่าให้ย้ายให้ไปกระทังบอกว่า ไม่นี่ชาตินี้ม า, นมาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุนแล้วติดฐานจิตตาติบิดูสิบรีวองบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะสาธุ ท, า ท, ที่ก็เป็นเรื่องราวของแค่สัต ด, ดีสั้นๆเสจ้ะ